นัโมตัสภะเกวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสนโมตัสภะเวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัส นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะสัตถุคารุธรรมะคาุสังเคจติภะคาลโลวะอภปปารีหานายะนิพพานัตเสวัสันติเจติ อิมัสรรมะปริยายัสัตโธสาทญาสะมมันเตหิสกัจจังธรมโมโสตโบตีกขอเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกคน คากันมีศรัทธาความเชื่อภาษาธารรมเรื่มใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นสารนะว่าเป็นที่พึ่งกันศรัทธาความเชื่ออันนี้ถ้ามันมีศรัทธาเป็นกาลัง วิริยะอร์มเพียนให้มีกำลังสติก็ให้มีกำลังปัญญาที่ก็ให้มีกำลังปัญญาให้มีกำลังแล้วไม่แค่ขาดจากทางเดิอนอันนำไปสู่สุคติมันมีกำลังอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาและที่ใจของเรา ปองสมเด็จพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าวองก็ตัดเอาไว้ว่าพิสู่ทั้งหลายเราตัาคตยังอาศัยกำลังห้าเป็นเครื่องหนุนตัดสะร่นโนตละสัมมาสัมโพธิยานกำลังห้านั้นคืออะไรก็ศรัทธาภละนั่นแหละ วิริยาภละสติภละสมาธิภละและปัญญาภละศรัทธาภละมีขึ้นที่ไหนมีขึ้นที่กายของเราวิริยาภละมีขึ้นที่ไหนควมเปลี่ยนก็อยู่ที่กายของเราสติก็อยู่ที่กายของเราสมาธิก็อยู่ที่กายของเราปัญญาก็อยู่ที่กายของเรา นี่เป็นลำแบบ เ, เป็นเป็นพละหรือว่ากําลังอันที่หนึ่งกำลังอันที่สองคือความเพียนในการกระทําคือวิอริยะความเพียนกายเรามีความเพี่ยนไหมกายเรามีความพยายามมากน้อยสักเท่าไหร่ ความเพียรเหล่านี้มันมีพร้อมอยู่ที่กายมีพร้อมอยู่ที่วาจามีพร้อมอยู่ที่ใจไม่ในกําลังห้าสติก็ให้มีอยู่ที่ที่กายของเราเนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะถ้าพูดตรงๆแล้วนะกําลังทั้งห้าเนี่ยจะเป็นศรัทธาจะเป็นวิริยะสติสมาธิภาร ะ, ะก็อยู่ที่กาย ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความได้สมาธิความตั้งปัญญาก็อยู่ที่วาจาห้องเราศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความได้สมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความหลอบลูงก็อยู่ที่ใจห้องเรากําลังทั้งห้าประการมันอยู่ที่องค์ประกอบสามอยู่ที่กายวาจาและใจห้องเรานี่เองไม่ใช่อยู่ที่อื่น ถ้าหากกายวาจใจและใจของเราเพียบพร้อมด้วยกําลังทั้งห้าแล้วถ้าหากกําลังของเรามันตั้งมัน่นความตั้งมั่นคือเป็นสมาธิน้อยแสงสว่างปัญญามันก็ส่องขึ้นน้อยควารมรับรู้มันก็น้อยถ้าหากกาลังหรือว่า พลังกำลังห้องเรามันมีปานกลางแสงสว่างอันเป็นองค์ประกอบแห่งปัญญานะ่นะมันก็สว่างขึ้นปานกลางเหมือนกันคิดอะไรก็สว่างขึ้นคือมันรู้แกงขึ้นในสมองของเรานั่นแหละความรู้เหล่านี้ไม่มีอะไรกั้นได้หรอก แต่ถ้าว่าศรัทธามันมีมากล่ะความเพียรก็มีมากสติก็เป็นมหาสติสมาธิหรือปัญญาก็เป็นมหาสติมหาสมาธิและมหาปัญญาแสง ส, สว่างมันก็มากจนหาขอบเขตประมาณไม่ได้ ที่มันรู้แก่งที่มันแทงตลอดนั้นมันจะสว่างขึ้นมาในตัวห้องมันเองของใครของมันนะที่พูดเนี่ยที่พูดให้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนกันทุกคนไม่มีนะเพราะนานาจิตตังผู้มีศรัทธาในการกระทำจริงจริง ทำจริงก็ต้องได้จริงและเห็นจริงถ้ามีศรัทธาค้อยๆขวามั่นคงหรือว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นมันก็ค้อยขวเหมือนกันพระอาทิตย์ถ้ามันขึ้นแล้วบนท้องฟ้ามันก็ล่องลอยไปเรื่อยๆคือว่าโครจรไปพูดว่าโครจรไปที่ สุดของดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนอัศสดงแล้วเรามองดูชีวิตเราสิดูตั้งแต่เราลอดก้นแม่ออกมาจนกระทั่งมาใหญ่โตถึงขนาดนี้จนเป็นพ่อเป็นแม่คนขึ้นมาอีกเนี่ยเราโคจรมานานแล้วหรือยังชีวิตของเราเราโคจรไปที่ไหน พระอาทิตย์ยังไปห า, หาที่อัศดงในฉันใดที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันที่เกิดขึ้นมาแล้วเชิงตะกรหรือที่ตายเป็นหลุมฝังศพของเรานั่นเป็นที่สุดของเราอายุเราก็ปูนนี่แล้วเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในตัวเราหรือยัง ให้นั่งตามสบายนะไม่ต้องไปนั่งหวังจะว่านั่งสมาธิเหมือนกับต่อไม้อย่าไปทํานะองค์นี้ไม่ได้ห้ามบอกไว้ก่อนปวดเชียงปวดขาจะกระดูกกระดิกได้หรือจะยืนขึ้นฟังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามนะอืมอย่าไปทนทุกข์ทรมานตัวเองสิการฟังนะ่ะฟังแล้วเอาหูเราฟังฟังเสียงออกจากปาก แต่ว่าตาก็ฟังได้ตามันฟังเสียงทิพฟังเสียงออกจากมือมันฟังได้สองลักษณะเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเอาสติและสัมปะชัญญาหนุนใจเราเป็นตัวรับรู้ให้จำเอาไว้นะไม่ช่างไปนั่งตัวแข็งตัวโดอยู่ไม่เอา บูขอข้อห้ามอย่าไปทําอย่างนั้นหรือจะลุกเดินก็ได้เดินฟังไปเดินข้างนอกฟังก็ได้ไม่ผิดจะยืนเดินนั่งหรือนอนสี่ระยบทเนี่ยสามารถทําได้เดี๋ยวก็พอนั่งฟังหน่อยปวดช่างปวดขาจะ ก, กระดูกเรียมองคนอื่นแล้วเขาไม่กระดุกกระเดียกตัวเองจะไปไอไม่ายทําไม เวลาตายเมื่ออายกันใชเมื่อไหร่ทุกคนมันเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนตายกันทุกคนนี่ให้เข้าใจความจริงสิตายกันทําไมเราเอาความจริงพูดกันนะทําไมถึงบอกอย่างนี้กายห้องเราก็ให้เป็นผู้รู้กายห้องเราให้เป็นผู้ตื่นอยู่ กายของเรากลายเป็นผู้เบิกบานอยู่กายเราทำไมถึงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานก็สติและสัมปรชัญญาเนี่ยแหละคือตัวพุทโธพุทธะก็คือใจตัวที่ไม่ตาย เพราะใจมันก็อาศัยอยู่ที่กายเราวนี่ยกายเราเป็นก้อนธรรมกายเราเป็นก้อนสงฆ้าจะพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนุรนาคตัวเรานี่ตัวของคนอื่นเป็นของคนอื่นนะของเราเป็นของเราก็ถ้าเวลาแสดงทำให้ฟังเนี่ยลงปู่ก็ชอบบอกว่าบอกของจริงเลยพูดของจริงให้ฟังกัน พระสงฆ์ไม่ใช่หัวโลนห่มผ้าเหลืองเป็นพระสงฆ์เ ส, สมอไหลเป็นสมมติสงฆ์ฟังให้ดีๆเป็นสุณนาภายนอกนะพระสงฆ์ที่เป็นสุณนาภายในของพวกเราอยู่ที่ไหน จึงว่าสังคังสลนนังคัชามีตัวตนสกนลากายนี่มันสมมติสมมติสรงกว่าเป็นพระเนี่ยพ่อพระแม่พระที่นั่งอยู่ทุกคนก็มีพระสงฆ์ประจำตัวอยู่แล้ว ฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นพระได้ยังไงอหรือว่าลุงพ่อองค์นี้โกหกหรือลุงปู่นี่โกหกแล้วเหรอมาเดี๋ยวโกหกพระตัวตนสกลลกายของเราทุกคนล้วนแต่เป็นกองสมมุติไม่มีตัวไม่มีตนแต่สมมุติว่าตนสมมุติว่ากาย สมมุติว่าชื่อนายกอนายขอนายงอพระสงฆ์ก็เหมือนกันหัวโลนห่ผมผ้าเหลืองนี่ต่างชาติต่างตระกูลต่างวันนะมารวมกันทัาบคาว่าสงฆ์พระสงฆ์นี่พระตั้งแต่สี่ลูปรวมกันก็เรียกว่าสงฆ์แล้วเราดูพระสงฆ์ภายในห้องเราสิ ดูข้างในให้มันเห็นเราไปวัดเราก็เห็นพระอยู่ในวัดใช่ไหมอืมก็ได้มันวัดนอกเราดูวัดในของเราสิถึงจะเห็นวัดอยู่ที่ไหนวัดในก็คือกายวัดเรานี่ วัดในมีอยู่สามกายวัดวากีวัดมโนวัดวัดแปลว่าการปฏิบัติกายแล้วก็เป็นวัดที่ควรจะปฏิบัติรักษาลองไม่อาบน้ำสักสามสี่วันดูสิเอา้ามันจะไม่เหม็นสาบส่างหรือทุกต้องรักษากายของเราสิพูดถ้าหากพูดแล้เมอเพลาพกไปแต่บรนทัพก็ว่าไม่รักษาวาจา เขาเรียกว่าว่าขี่วัดมโนวัดล่ะถ้ า, าฟุ้งซ่านไปเดินไปตะบันเขากบ่าเราบ้าเองเพราะไม่ดูใจตัวเองอันเป็นวัดไม่ควรไ ม, ไ, มไม่ไม่รักษาวัดในนี่ก็มีอยู่สามนะแล้วจะเห็นเป็นพระสงฆ์ได้อย่างไงกายของเรามาจากไหนมาจากมหาพูด มหาพูดมีอยู่สีดินน้ำไฟลมก็เป็นกองสมมติสมมติยังไงดินก็เป็นพระพะมหาปฐพีน้ำก็เป็นพระก็พระมหานาทีไฟก็เป็นพระพระเพิง ลมก็เป็นพระกับพระภาพยพระทั้งสี่รวมกันนี่จึงเป็นสงเป็นศรณะดินเป็นธาตุของพ่อน้ําเป็นธาตุของแม่มหาพูททั้งสี่ที่รวมกันเป็นตัวเป็นตนมาจากพระอรหันต์สองพ่อคือพระบิดาและพระมารดาให้เข้าใจสรณะของตัวเองสิ เรามีสารณะอยู่ในตัวแล้วไปแสวงหาสารณาที่ไหนแล้วบางคนก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยโอ้ยฉันไม่ได้เป็นผู้ชายฉันเป็นผู้ชายฉันจะโกนหัวล้นห่มผ้าเหลืองไปตลอดตายนี่ฉันเป็นผู้หญิงอย่าพูดผู้หญิงก็บรรลุได้เป็นพระอริยได้เป็นพระอรหันได้เหมือนกัน อาการสามสิบสองทำอาสวะสิ้นได้เหมือนกันนี่มันเรื่องจริงครั้งพุทธการจริงมีภิกษุนีผู้หญิงยังไงละ่ะแล้วจะมัวมาน้อยใจทำไมปฏิบัติได้ทั้งนั้นรักษาพระสงค์สิแยกแยะดูก้อนทำสิ เมื่อมีสาณะสังคังคือพระสงฆ์ประชุมกันพ่อแม่ ป, ป, มประชุมเป็นเป็นสง์คือเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเข้าใจไหมเขาเรียกว่าธาตุเขาเรียกว่าธรรมมันมารวมกันยังเป็นธรรมเป็นกองสมมติกองสมมตินั่นก็คือขาสองแขนสองสีสันหนึ่งคือตัวตนสกลลกายแล้วนี่เป็นกองสมมติเป็นก้อนธรรม ถ้าไม่มีตัวมีตนขึ้นมาแล้วการปฏิสนธิของพุท ธ, ธะจะเจ้ามาจากไหนจะจะปฏิสนธิที่ไหนก็มาปฏิสนธิมายึดเตาทำ ม, มังและสังังตัวนี้ตั้งติดแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมประชุมกันมาจากสงประชุมกันเป็นก้อนธรรมขึ้นมาอยู่ในท้องแม่นุ่งกิจวิญญาณมาปฏิสนธิเอากิจวิญญาณตัวนั้นแหละคือตัวพุท ธ, ธคือตัวเรา มาถือเอาสารณะสองเป็นที่พึ่งพวกเรามันมีที่พึ่งมาแต่นานแล้วแต่ไม่ยอมดูที่พึ่งของตัวเองไม่ยอมดูสารณะของตัวเองเพราะธาตุทั้งสี่เป็นสารณะให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาโลกนี้ตั้งขึ้นแล้วโลกนี้คือแผ่นดินโลกนี้คือหมูสัตว์สมมุติว่าเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ มนุษย์แต่ปว่าสัตว์ใจสูงเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อยใจไหมไม่น้อยใจอย่าน้อยใจนะถ้าน้อยใจกว่าเสียศักดิ์ศรีว่าเป็นมนุษย์อีกเมื่อเรารู้พระพุทธพระธรรมทำเป็นที่พึ่งได้อย่างไร เราเราเดินเราเข้ามาเนี่ยเราเดินมาเราเอาขาเดินรั่เอามือเดินพูดง่ายง่ายก็ขาเราก็เป็นสลาณะขาเราก็เป็นเป็นธรรมเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมใช่ไหมขาเราเนี่ยมีการเจ็บมีการปวดอยู่เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละเป็นก้อนธรรมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงรู้บางสิสลาณะของตัวเองอยู่กับตัวเองทำไมจึงไปวิ่งหากัน แล้วก็ไปขอสนธิจากพระไปขอศีลจากพระโอ้เมื่อคิดดูแล้วนะวิ่งหาอาจารย์น้นวิ่งหาหลวงปู่นี่ศรัทธาสัธถูนนหลวงปู่ของกูศรัทธาสัทธอนั่นหลวงพ่อของกูศรัทธาสรทานนั่นอาจารย์ของกูศรัทธาสรีนัน่นหลวงพี่ของกูโอ้โถ ไปกันใหญ่เลยนั่นหรือผู้ตามหาสสรนะ่ะผู้ตามหาต้องเข้าหาจริงๆเข้าวัดในสิดูวัดในพิจนาวัดในแล้วว่าไปเข้าใจเถอะกูจะไปเรียนพระไตรปิฎกไปเรียนที่ไหนพระไตรปิฎกไปเรียนที่วัด เมื่อไปเข้าวัดเราก็ไปดูหนังสืออ่านหนังสืออ่านจนตาแฉะก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าบรรลุมาจากตำราพระพุทธเจ้ากลางตำราอ่านใช่ไหมหรือว่าดูที่ไหนพระองค์ก็มาเข้าวัดไในเข้ากายวัด ไม่ต้องไปดูหนังสือพวกนักพัฒน์ไตพี่หกหลอกพระองค์ดูพระไตรสวางออกมาดูกายมาดูวาจาดูใจี่เองต่างหากปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจเราพระองค์เองจึงมาเห็นกองสมมุติทั้งหลายอยู่ที่ตัวเรานี่หมดจึงมาเห็นมักเห็นผลเห็นนิพพานเห็นสวรรค์ทุกสิ่งอย่าง อยู่ที่ตัวตนสกลลกายของเราเข้าใจไหมพระองค์มาเห็นแล้วจึงได้บอกกับญาติโยมบอกกับพิสูจน์ทั้งหลายมาประกาศพระธรรมเหล่านี้พระธรรมเหล่านี้เอาออกมาจากตัวตนสกลกายเป็นกองสมมุติเป็นก้อนธาตุก้อนทำเป็นกองสมุติของพระบิดาและพระมารดาทั้งนั้นเอาออกอย่างนี้มา หยิบยกออกมาแปดเมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วนแต่เป็นกองสมมุิหยิบออกมายังไงเวลาเราไหว้พระแล้วก็ตั้งหน้ามโมกันใช่ไหมแล้ว <med ham> ก็นอกกล่าวความนอบน้อมใช่ไหม โมอันว่าความนอบน้อมรู้ไหมนะมะนั่นนะนานันคือแม่นะโมหรือมะนั่นคือพ่อนะใครนอบน้อมใครคิดดูให้ดีๆนะแล้วทําแล้วเขาแปลนะโมกัน นโมอันว่าความนอบน้อมพระคารวะโตต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสะพระองค์นั้นละหาโตเป็นพระอรหันต์ส ม, มาสุพุทธสัตตรู้เองโดยชอบเขาแปลเอาไวน้นนะ่ะงามพร้อมนั่นเขาเรียกว่าปราดและบัณฑิตเขาแปลเอาไว้แปลถูกไหมถูกไม่ผิดหรอก ถ้าเราจะดูให้เห็นความเป็นจริงละ่ะนั่นาน้ำโมนันดินพะนันไฟแล้วก็ธาน่นลมกุตัวเราแ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระคุณ แล้วนาโมทำไมจึงตั้งเป็นสามรอบกเพื่อจะให้เราน้อมนึกถึงน้อมนึกถึงพ่อนึกถึงแม่บางสิน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าบางสิพระพุทธเจ้าปฏิบัติตัวเองมามาพิจารณาในพัะไตร่วงองจนตักสเลออนุตลสาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนุ่น่ะพวกทวยเทพทั้งหลายอ่ะ อารักขาอยู่ก็ไม่เชื่อกันใช่หรือท่านพ่ อ, อโคดมจะตัดสรู่นอิทธิมันโตชุติมันโต ว, วันเนวันโตยสัตสีโนริงหรือจะมีฤทธิ์มากจะมีฤทธิ์เหมือนเราหรือเปล่าจะมีแสงสว่างลุ่งโลดเหมือนกับเราหรือเปล่าหาเทพเจ้า ก็พากันออกมาจากวิมานของตัวเองห่ะอสิจะมาอวดฤทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าพระโคโดมเนี่ยจะมีฤทธิ์มากมีแสงสว่างมากเหมือนเราไหมยักษ์ที่อยู่ในถ้ำสาตาเขาชิลีมาก่อนเพื่อนเขามันอยู่ใกล้ แสงลัทธิสมีมาหาขอบเขีนไม่ได้ละในจั ก, กรวาลของตัวเองในวิมานของตัวเองพอเข้ามาใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงที่เปล่งลัทธสัมมีมาหาขอบเขตยนประมาณไม่ได้ในโลกพอมาถึงเท่านั้นแหละแสงเหลือเท่ากับแสงหิ้งห้อยนี่แล้วจะมาเทียบแสงพระสัพพันนาลังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไง ที่เป็นเท พ, พเจ้าอยู่ถ้ำสาตาเขาขีดก็เพราะอำนาจแห่งสัจจะความเป็นจริงในการที่ว่ากับผมนี่มีเนื้อเลืเลอดเป็นพักสาหารเป็นอาหารการกินจะกินสัตว์ประเภทไหนก็ตั้งสัจจะกินอย่างนั้นแต่ที่เป็นเท พ, พเจ้าได้ก็เพราะสัจจะคร์มเป็นจริงจริงเป็นเท พ, พเจ้ามีสัจจะมีศีลอร์มบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นเท พ, พเจ้า พลาหูก็เหมือนกันบ่อน้ำทิพเกิดขึ้นเป็นคนชี้เละเขาไม่เข้าพวกแต่ก็ที่เป็นทิพกแต่แต่มีมีสีษาเป็น ย, กยักษ์นี่มีแต่สีสาเนะียอยู่ติดตี่อยู่ตามที่เขาบงสวนกันว่าพลาหูใช่ไหมเป็นรูปยักษ์อะมีแต่สีสาะนะ่ยเพราะว่าถูกกงจักรของพนาลายตัด เมื่อครั้งบ่อน้ำทิพย์และต้นปริชัดเกิดขึ้นถ้าให้พวกยักษ์พวกมาร น, นี่คลองโลกอันนี้แล้วก็พวกสวรรค์พวกเทวดาจะอยู่ที่ไหนกันมนุษย์จะไม่ได้เกิดอีกเลยโลกนี้ก็ศูนย์คือมันมีตำนานมาหมดแล้ แต่ว่าพวกเทพพระเจ้านี่เป็นเหตุเกิดของนะโมนะโมสาตาคิริยัคโขยักมากล่าวคําว่านะและโมเท่านั้นนะโมสาตาคิริยัคโขสาตาคิริยเป็นผู้มาก่าวนะโมนะโมมันมีความหมายอยู่ว่ามากราบเรียนพระเจ้าไม่ไม่อธิบายมากเ <c oughs> พราะองค์พระสัพพันธูสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แก้งหมดแล้ว ว่ามาจากไหนมาจากไหนได้เกิดเป็นในจริงในมาเกิด เ, เป็นเท พ, พเจ้าได้เข้ามาในก็เพื่อต้องการอยากจะรู้ว่าเราตถาคตตัดจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เท่านั้น <c oughs> มักกล่าวคำว่านาโมก็ามายอมรับสรารภาพัว่าได้เป็นเท พ, พเจ้าก็เพราะอาศัยเนื้อเลืเลอดมันพักสาขารเท่านั้น เนนี้เป็นมันเป็ น, ปนตำนานเนธเหตุเกิดของนโมแต่จัดไว้อันดับสามนุนอันดับสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอันดับสองอันดับหนึ่งล่ะคืออะไรคือพ่อและแม่เราเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังจัดไว้อันดับสอง ทำไมไม่จะไว้อันดับหนึ่งถ้าจัดอันดับหนึ่งก็ผิดโลกนี้วิปรลาดไปเลยพราะพุทธเจจะตัดสู้ยังมาอาศัยพระคุณของพ่อของแม่ไม่ใช่เหรอจะไว้อันดับหนึ่งได้ยังไงมาอาศัยกองส ม, มุติถัดขันของพ่อของแม่นี่เองมันเป็นก้อนธรรมอะนโมรอบถึงจึงหมายถึงพ่อและแม่ ขอถามหน่อยเถอะพ่อพ้าแม่พระจี้พากันไหว้พระกล่าวนโมนันครั้งแรกนันโมตัสสานันสักแต่ว่าเฉยเฉยใช่ไหมเคยนึกถึงพ่อและแม่ไหมปากพูดไปเหมือนกับ น, นกแก้วนกขุนทองเห็นเขาว่านโมก็ว่านโมตามกันไม่นึกถึงเลยว่านโมคืออ ะ, อะไร ควรจะนอบน้อมไหมพระคุณของพ่อของแม่ที่ได้มานั่งอยู่นี่ได้อาศัยพระคุณของท่านนะเนี่ยเคยน้อมนึกถึงบ้างไหมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งว่าเป็นตัวตนสกลลักาตัวตนเราเนี่นี่แหละคือพระคุณของพ่อของแม่ เราอยากได้อะไรทำเอาสิทำมังสระนังกัามิที่พึ่งก็พ่อแม่ก็ให้มาหมดแล้วไม่ไม่เคยเหลือหรอไม่เคยปิดบังเลยเป็นที่พึ่งอ่ะธาตุทั้งสีก็ให้เป็นที่พึ่งมาแล้วมาเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมถ้าทำเนี่ยทำเอาสิอยากได้อะไรที่นี่อยากได้มรรคผลนิพพานเหรอ ก็สรณะก็มีอยู่แล้วทำเอาสีเดินเอาสิจริงหรือไม่จริงเดินก็ได้นะได้มาผลนิพพานเดินจงกรมดูสิถึงนิพพานได้ก้นก็เป็นสรณะาสัหรับนั่งใครเอาหัวตั้งก้นนั่งไม่ใช่เหรอนั่งสมาธิปสิพุริยาก็ตัดสรูด้กับเพราะการนั่ง มันมีพร้อมทุกสิ่งอย่างแล้วเราของเราเนน่นะจะทำเอาอะไรพ่อและแม่ให้มาหมดทุกอย่างแล้วอยากได้สมบัติเหรอเอาสิสมบัติ ม, มีมีอยู่ในตัวเรานี่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเอาให้ถึงสิอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะเอาไหม วัดในเนี่ยเข้าไปดูสิทุกอย่างมันมีพร้อมจะพากันหลงอยู่ทำไมมาเผลออยู่ทำไมข้างนอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัพพันยุมาดูที่นี่โอ้กูเกิดขึ้นมากูก็อาศัยพระคุณของพ่อของแม่นี่เอง พร อ, องค์มาตัดสู่แล้วอะมาเห็นอันนี้แม่กูอยู่ไหนวะตามหาแม่รู้ข่าวว่าแม่นุ่นอยู่ดวาวดึงสวรรค์ที่ขึ้นไปปรดแม่คิดดูที่ขึ้นไปทั้งที่เป็นๆอย่างเนี้ยร่างกายขาสองแขนเอายกตัวตนไปเนี่ยคิดดูที่พรองค์ไปจําบรรสาทำไมถึงไปได้แล้วจะมาพูดมากก่าทำไมเครื่องบินรถยนต์ทุกวันเนี้ย อีอัศจรรย์ที่สุดคือร่างกายตัวตนเรานี่อัศจรรย์มหาอัศจรรย์มากทำไมไม่ดูเอาล่ะทำไมไม่ทำเอาให้มันถึงอิทธิี่มันโตชุติมันโต ว, วันเนาะวันโตยัสสัตสีโนจะมีฤิ์มากอิทธิฤทิ์มากเท่าไหร่ก็ตัวเรานี่ททำตัวเราให้มันถึงเข้าใจไหมอยากได้อะไรล่ะ ทำเอาสิปฏิบัติเอาสิเสียชาเกิดทำไมล่ะทุกคนทำได้ไม่ว่าหญิงหรือชายมีสิทธิ์ทำทั้งนั้นของใครของมันอายใครล่ะแไ่อายมันทำไมคนอื่นน่ะอายใจตัวเองสิ ฮิลิฟอมและอายแกใจโอตปาฟามเกรงกลัวทำสองอย่างนี่ทําแล้วเป็นเขาเรียกว่าวิหารธรรมของสวรรค์หกชัน้นบุคคลใดถ้ามีหิลิละโอตปาเนี่ยสองอย่างเนี่ยคือวิหารธรรมของสวรรค์หกชัน้นแต่ถ้าเป็นพรมวิหารเมตตากรุณามุนใาอุเบกขานั่นเป็นวิหารของพรม เป็นธรรมที่ควรจะเดินเข้าสู่พวกพรมสิบหกชั้นถ้าต้องการอยากจะรู้ของจริงถ้าอยากจะได้มรรคผลนิพพา น, นเป็นทางเดินต้องอาศัยมรรคแปดอาศัยพระไตรสวงอก อาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยใจของเราทำตัวยังไงเป็นพาขึ้นมาสิตัวของเรามีแต่พระนะให้รู้เป็นพระรู้ว่าเป็นพระไหมพระสงฆ์เราก็รู้แล้วมาจากธาตุสี่ใช่ไหมพระธรรมและพระสงฆ์มารวมกันคือก้อนธาตุมารวมเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนธรรมเป็นธรรมมาธาตุ ธรรมชาติก็คือตัวธรรมชาติธรรมชาติคือตัวนิพพานอยู่ที่นี่จะไปหาที่ไหนล่ะ ท, ที่ตัวเรานี่ตัวพูดแท้ก็ถือเราตัวเราตัวไม่ตายตัวรู้รู้แล้วว่าทมและสงมันแปลสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานะมันมาจากก้อนธาตุก้อนธรรมมันจะเป็น ดินเป็นดินน้าเป็นน้ ำ, นนำไฟเป็นไฟลมเป็นลมเราจะยึดไม่ได้ถือไม่ได้อันนี้เป็นของกูเ น, นี่มันของกูถือได้ไหมตอนเป็นเด็กมาจนถึงแก่ถึงป่านถือปูนนี่แล้วห้ามได้ไหมทำไมถึงไม่นอนแบบอ่่อยูใ่ในตักแม่อยู่เสมอล่ะมันโตทำไมถึงไม่ห้ามให้มันอยู่แค่นั้นล่ะมันห้ามได้เสมอหล มันมีของมันมันเป็นของมันอย่างนี้ธรรมชาติตัวธรรมชาติคือตัวนิพพานตัวพุทธะ่าคือใจของเราตัวไม่ตายตัวจิตตัววิญญาณนี่แหละตัวสติสัมปชัญญะนี่แหละคือตัวพุทธะพุทธะตัวนั้นก็าคือใจของเราตัวที่ไม่ตายไม่แก่ธาตุฉันร่างกายมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันเรื่องธาตุฉันนะ แต่ความแก่ความเก่มันเป็นของทำ ม, มันเป็นก้อนธาตุก้อนทำแต่ตัวรู้ตัวพูดท่านไม่แก่ไม่ตายนะพิจารณาให้ดีๆอาการสามสิบสองแยกให้มันออกสิพิจารณาแยกให้มันออกสิเชื่อว่าถ้าทำจริงต้องเห็นจริงปฏิบัติจริงย่อมถึงจริงรู้จริงอีกเห็นแจ้งเห็นชัดอีกซื่อด้วยทุกคน เชื่อว่าล้วนแต่เป็นป่าและเป็นบัณฑิตยอยู่ที่นี่อันนี้ขอโทษนะอันนี้เด็กชั้นป .4 ว่ะพูดไปเดี๋กวก็าอายใจเหมือนกันแหละว่ะมาสอนนักพวกปริญญาปริญญาดิโหมีแต่เด็ดๆทางนั่นเลยตัวเองเด็กชั้นป .4 ชาวนาเนี่ยอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนามาพูดอันนี้ให้พวกป่าพวกบัณฑิตฟังเดี๋ก็าอายใจเหมือนกันนะ แต่ว่าโยมพ่อนี่มันมาก็มาเฉยๆโอ้โยมพ่อเนี่ก็เกินไปมาเอาเด็กชั้นป .4 ไปสอนตริลียยามันยังไงกันแนะ่ยังคิดหนักใจอยู่เหมือนกันนะอายใจอยู่เหมือนกันด้วยที่พูดไปเนี่ยก็มึงไม่รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะคงจะไม่เข้าใจกันใช่ไหมอ้าวเข้าใจอยู่เหรอฮะ มาเชื่อเด็กฉันพอสี่ยังไงนีง่มาเชื่อเด็กชาวไร่ชาวนาเป็นป่าดเป็นบันดีตเป็นถึงปริญญาเยรู้แล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่เราจะรู้ว่าตัวเราเป็นพระได้ยังไงเพราะตัวเราเป็นกองสมมตุติเส้นผมเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าสาใช่ไหมเรียกว่าพระไหม สมมุติว่าเป็นพระไหมธาตุขันมีแต่กองสมมุติหน้าผากก็พันาลาดวะานนงก็เป็นพระอีกแล้วห่วยหน้าผากหัวาลาดนี่ารกดเป็นเป็ น, ปนพระได้พอาอะชิว้วกว่าพระขนงตากว่พาพะเนต หูก็พระกันจมูกพระนาศิกปากพระอดฝันพระทนลิ้นพระชิวหาใบหน้าก็พระพักรวมหมดศีรษะก็พระเสียนส่วนบนก็เป็นพระหมดแล้วคอยาวๆเนี่ยก็พระศออหน้าอกหรือก็พระอุลาหัวใจหรือก็พระหาหรือไทยเขียนก็พระกรมือก็พระหัดจนไปถึง ฝ่าเท้าก็ยังเรียกพระบาทมีตะกรงสมมุริรวมหมดในกายอเ น, นี้ยเรียกว่าพระวรกายวรแปลว่าเลิศกายที่เลิศ ก, กายที่ประเสริฐก็กายมนุษย์เราตถาคต แยกรพรทธรรมออกมาสอนเวเนยศสตรสัตว์ที่เราสอนก็คือมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้พวกเทพมาลวฟังอำนาจแห่งฌานของเขาที่มีอยู่เขาก็สามารถมีอำนาจฌานขึ้นมาได้อีกเหมือนกับรถที่หมดจะหมดน้ามันสามารถเติมน้ามันได้แต่บำเพ็ญต่อไม่ได้ พวกเทพนับตั้งแต่เท พ, พสามเทพพเจ้าจนไปถึงสวรรค์หกชั้นจนไปถึงพรมสิบหกชั้นเมื่อหมดอำนาจฌานแล้วก็ยังปาฐนามาเกิดเป็นมนุษย์เคีย ด, ดูสิเบื้องต่ำจนถึงมหาเวกีนรกนันะ่นน่ะยังพากันปาฐนามาเกิดเป็นมนุษย์ ขอโทษเถอะพ่อพระและพวกเราเป็นมนุษย์แล้วประมาทอยู่ทำไมทำไมกังมาประมาทกันอยู่พระอรหันต์ก็มีขาสองแขนสองสีสันหนึ่งมันกับเราเนี่ไม่ใช่เหรอทำไมจึงปฏิบัติได้ทำไมจึงไปนิพพานได้ทำไมจึงทำอาสาสิ้นได้ แล้วพวกเราล่ะมาจีบพบจี่ชาติกันแล้วเวียนว่ายในวัฏสงสารนั่นนี่มาหลงอยู่แค่นี้หรือมาเพื่อเพินอยู่แค่นี้เสียมาติดสุขอยู่แค่กองสมมติอันเป็นภพมนุษย์นี่ใช่ไหมเมื่อไรจะมองเห็นของจริง มันหลงอยู่แค่นี้ก็มาติดตะข่ายของอวิชชาความมือดอยู่เลยว่าเป็นมนุษย์นี่มีความสุขไม่อยากจะตายกูจะสร้างแต่บุญแค่นี้ทำแค่นี้วนเวียนอยู่กับลูกกับเมียวนเวียนอยู่กับสมบัติพัฒฐานอยู่กับเงินกับทองแค่นี้เลยติดอยู่ในอารมณ์แค่นี้ใช่ไหมทำไมละสวรรค์สมบัติก็มีมนุษย์สมบัติก็มีนิพพานสมบัติก็มีเำอมถึง ไ, ไม่เอา ทำไมเมื่อเอาแช่กองสมมติแช่นี้สิตอยู่ในอารมณ์อยู่ในวัฏจักรเกิดมา ก, กี่พบกี่ชาติเป็นมนุษย์ก็มาแก่มาเก็บมาตายร้องควรค้างอยู่อย่างนี้หรอือจริงไห ม, ไมนี่แล้องค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าพอพระพองค์ตัดสรูทร้ทะลุตาข่ายของเอาวิชาไปแล้วเอาวิชาตัวมารใหญ่อ้อนร้องตวัดเลยข้าแต่ท่านพระโคดม เมื่อพระองค์ขึนแล้วเห็นแล้วเข้าไปนิพพานแล้วออกมาทําไมจะกลับมาทําไมอย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกผมนะสสัตว์ทั้งหลายจะเป็นมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานเพื่อ ใ, ใหญ่หรือน้อยก็ช่างล้วนแต่เป็นลูกของผมเป็นบริวารของผมทันถึงนิพพานแล้วเข้านิพพานไปไล่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านามานา ไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับลูกของเ ข, ขาบอกว่าลูกของเขานะพวกเราเนี่ยพวกที่มืดมอนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกของเขาพระพุทธเจ้ามาดูแลอ้าวกูฎิตรัตน์ลู่สำอนุตตะละสัมาสำโพธิยานองพระสัพพันอยู่ในอดีตเมื่อทำอ า, า, วาสวะสิ้นแล้วอริยวาฒอริยวงศ์อริยประเพณี ของภาษาพันญูจะ ต, ต้องขนมนุษย์และสพพรรพสัตว์ผู้ที่สดับรับฟังพระัธรรมปฏิบัติพระสัธรรมเนี่ยให้เข้าพระนิุ์ผ่านได้กองสมมติก็คือตัวตนสกลละกายเราก็แยกพระธรรมมันนี้ออกมาอเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนธรรมเป็นธรรมแบบไหนจริงสามารถบรรลุได้ก็มาจากณโมรอบที่สอง นาโมรอบที่หนึ่งถ้าจะแปลล่ะนาโมอันว่า น, น้ำและดินตัดสะของบิดามารดานั้นภาคาวะโตบิดาและมารดาเป็นผู้จำแนกธาตุน้ำและธาตุดินอระหะโตจาแนกใครแล้วจนสิ้นสับสมบูรณ์เป็นขาสองแขนสองชี้เส้นสมบูรณ์แล้วสำ ม, มายังให้ตั้งอยู่ในคันของท่านสิ้นถ้าสามารสิบเดือนแล้วโดยชอบสมพุโทโธจึงได้เกิดขึ้นมา จริงเลยรอดก้นแม่มาพวกเรานี่ยนะพ่อแม่มีพระคุณถึงขนาดนั้นแล้วพุทธเจ้าที่ถูกมารปกปบว่าอย่างนั้นนึกถึงดินเอากูก็บัญญัติรำออกมาจากพ่อและแม่ของกูเป็นทาาของพ่อของแม่กูถ้าจะแปลนโมรอบที่สองหละเป็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะนโมอันว่าห่วงอมะตะธรรมห่วงคือห่วงหาไทยห่วงเมตากาลูนาะเมตตาสรรพสัตว ที่เกิดมาในโลกอันนี้ทมแปลว่าธารธาตุสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งฟอร์มเป็นจริงมันจะแกี่ย่างนั้ก็เป็นไปตามธรรมชาติมันมีห้องมันอย่างนี้นมโมจึงแปลว่าณโมอันว่าห่วงอะมาตธรรมตัดสะของพระพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้ามาเห็นก้อนก้อนก้อนธรรมก้อนเมตตาของพ่อและแม่คือณโม เป็นพูะเจ้านนตัดสาตัแปลว่านั่นของพระพุทธเจ้านั่นภรคาวโตแปลว่าจำแนแกแจกเลือแบ่งเราตถาคตพิจารณาก้อนธาตุก้อนธนทำเนี่ยเอาออกมาได้แปดหมืนสี่พันพระธรรมมขันอัลฮาโตล้วนแต่เป็นธรรมอันสิ้นอาสวะไขทันเทียว อ, ออกมาเนี่ยสัมมามีเทวดามานและผม สมณพามและมนุษย์เป็นผู้สับและฟังมนุษย์ปฏิบัติแล้วโดยชอบสมพุทโทธผู้ปฏิบัติเองย่อมเห็นเองรู้เองตัดสลรเองของใครของมันเพราะเป็นปัจจัดตังเข้าใจไหมนี่เป็นนโมรอบที่สองของใครของมันนะแทนกันก็ไม่ได้ซื้อขายกันก็ไม่ได้จะเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษ เราทำเองเราได้เองไม่มีใครทำให้เราอยากจะกลับมาเกิดอีกไหมล่ะหรืออยากจะมาทนทุกข์ทรมานอีกก็ไม่ว่าทำเอาเลยกลับมาไม่อยากจะกลับค่าปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานทีทางเดินก็มีอยู่แล้วอริยมรรคอริยมรรค ทางเดินของพระอริยะเจ้ามนุษย์เท่านั้นที่เป็นอริยะผู้ปฏิบัติถูกต้องทางมีเส้นเดียวนะอริยมรรคแต่ประกอบไ ป, ปด้วยองแปดเหมือนเมื่อเช้าว่าเคยพูดอยู่บุญนะ่ะมีอยู่สามนะยนลงมาแล้วจากสิบ ท, ทานนามัยศีลนหม่และภาวนาใหม่ แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบสามอริยมรรคทางเดินของพระอริยะก็มีองค์ประกอบแปดเห็นไหมจึงเรียกว่ามรรคแปดบุญก็เหมือนกันต้องอาศัยองค์สามอาศัยกายวาจาและใจที่จะเกิดบุญโดยสมบูรณ์แบบเลย อยู่ที่ตัวเราของใครของมันแบ่งปันกันก็ไม่ได้เนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงเป็นศัจธรรมวันนี้มาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแต่เพียงหัวข้อเล็กๆ น, น้อยๆพูดให้ฟังอยากจะให้รู้ว่าสัตถุคารุให้เขารบในพระพุทธที่ให้หนักแน่นในพระพุทธเอธรรมะคารุให้หนักในพระธรรมที่คือก้อนธาตุก้อนธรรมมเป็นพระคุณของแม่เข้าใจไหม สัตว์ขลุธรรมะขลุสร่างเคจะติดผาคารวให้รู้จักคารวะนอบน้อมถึงพระคุณของพ่อและแม่ด้วยนะเห็นไหมบุคคลใดถ้ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ประจำใจแล้วย่อมเป็นผู้นั่งใกล้พระนิพพานเดินใกล้พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมจากพระนิพพานเน่ถ้าเดินในอริยะตรงนี้ นี่เป็นทางเดินอันแท้จริงวันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะสมควรเจรเวลาเอวังด้วยประการลัชเนีย